แม่ชาวตอนเปนทานข้าวเห็นเปลต์บ้างไหม <c oughs> มีไหมเปลต์เปลต์ลต้องคอยาวหน่อยเห็นยักษ์บ้างไหม ย, ยักษ์มีไหมใจเรานะเดี๋ยวก็เป็นเปลต์โลภเดี๋ยวก็เป็นยักษ์ถ้าใจเรามีความทุกข์ใจเราตกนรกมันสั่นนรก พบภูมิต่างๆนะหมุนอยู่เนี้ยวะตะหมุนอยู่นนึ้เดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็หลงตอนใจลอยใจก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหลงตอนจุ้มใจก็เป็นสัตว์รนระกตอนโลภ ก, ก็เป็นเปรต ตอนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นที่ถี่มาน้ำมากเป็นอสุรกายพวกเรารู้สึกไหมว่าเวลาที่เราเซลล์จัดนะแล้วเราไปเห็นเวลามีเซลล์จัดรู้สึกไม่น่าเกลียดนัลอสุรกายน่าเกลียดนี่กันเลพวภูมิต่างๆ เ, าเวียนอยู่ในใจเราเนี่เดี๋ยวมีศีลมีธรรมก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาจะมีความสุข ผลของบุญนะเป็นเทวดามีความสงบจากการทำสมาธิเขาเป็นผล mm hmm. แล้วเราเวียนตายเวียนเกิดร่างกายเราอยังเป็นคนนะอันนี้เรียกว่าอุปติภพภพโดยการเกิดในภพที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในใจเราเนี่ยเรียกว่ากรรมาภพภพเลยมีสองชนิด อุปติภพพ บ, พบด้วยการอุบัติด้วยการเกิดของเราขณะนี้เราอยู่ในอุปติภพเป็นมนุษย์ในภพมนุษย์แต่ในใจเรานะมีกรรมมาพบหมุนเวียนไปเรื่อยตั้งแต่พรมโลกตั้งแต่เป็นพลมนะจนถึงสัตว์นรกเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงเปลี่ยนทั้งวันพวกเราดูออกไหมว่า เราอยู่ในสุขติหรือทุคติมากกว่ากันอันไหนบ่อยกว่ากันทุคติเรอหน้าหวาดเสียว <c oughs> ถ้าใจคุ้นเคยกับทุคติเวลาตายนะ <c oughs> ก็จะไปได้อุปติภพในทุคตินะงั้นหัดเจริญสติไปอย่างถ้าโกรธใึ้มาเนี่ยโกรธทีหนึ่งก็สะสมคะแนนเป็นนรกทีหนึ่ง ถ้าโกรธแล้วเรารู้เราสะสมคะแนนให้จะพ้นนะคะแนนแห่งความหลุดพ้นโกรธขึ้นมาทีเรารู้เวลาโกรธนะี่เป็นกิเลสเวลากุศลเวลารู้ทันนะจิตก็เป็นกุศลขึ้นมานนได้กุศลอย่างใหญ่กุศลที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศลอย่างใหญ่เพื่อฉใจโกรธขึ้นมาไม่ต้องตกใจ บางทีมันก็ด่าหลวงพ่อนะด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดา่าของมันได้เองเราไม่ต้องตกใจตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเป็นอกุศลนะตรงนั้นเป็นกุศลแล้วคล้ายๆมีบาปเล็กน้อยแต่ได้บุญใหญ่บาปจะหายไปไหมไม่หายเราเจตนาด่าพระหรือเปล่าถ้าเราไม่เจตนานกรรมนี่ไม่สมบูรณ์เรียกกระ ต, ตากกรรมเป็นกรรมเล็กน้อย ถ้าไม่มีกรรมอย่างอื่นให้ผลนอกตัวนี้ถึงจะมาให้ผลได้เล็กน้อยมากแต่ตรงที่เรารู้ทันจิตของตัวเองมีสติมีปัญญาอยู่เนี่ยเป็นบุญที่ใหญนะ่งั้นเวลาจิตมันคิดไม่ดีอ่ไปตกใจให้รู้ทันไปแต่อย่าไปช่วยมันคิดถ้าเราจงใจคิดนะเรามีเจตนานะกรรมเราเต็มและเป็นมโนกรรมเต็มเต็มร้อยแล้ว ก็จะมีผลแรงดูถูกพระพุทธเจ้าเงี้ยมีผลแรงโอกาสที่จะได้เจอพระพุทธเจ้านะห่างไกลออกไปเรื่อยๆ เ, เพราะใจปฏิเสธพระพุทธเจ้าไปงั้นเราเวลาใจมันคิดไม่ดีนะเราอย่าไปช่วยมันคิดให้รู้ทันว่ามันคิดไม่ดีแค่นั้นพอแล้บาปก็มีไม่มากเงียบุญก็มีขึ้นมาเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องประณีต ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปกรรมเป็นเครื่องจำแนกกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์พวกเราเนี่ยมีกรรมพอสมควรในกลุ่มเดียวกันนะามาเป็นมนุษย์เหมือนกันมีอุปติภพเป็นมนุษย์เหมือนกันในมนุษย์นีอย่างจำแนกออกไปอีกหน้าตาก็ไม่เหมือนกันฐานะทางครอบครัวก็ไม่เหมือนกัน ชื่อเสียงเกียรติยศก็ไม่เหมือนกันในกรรมเป็นตัวจำแนนะกกรรมมีสองส่วนกรรมเก่ากับกรรมใหม่กรรมเก่าให้ผลมาทำให้เราเจอปรากฏการณ์ปัจจุบันนี้เราก็ทำกรรมใหม่นะที่ดีได้สะสมคะแนนเอาไว้เกิดมายากจนก็ขยันทำมาหากินอะไรอย่างี้ก็รู้จักปรับตัว ก็จะค่อยๆสลายกรรมที่ทําให้จนไปหรือเกิดมาหน้าตานักเกลียดใครรู้ตัวว่าน่าเกลียดบ้างมีไหมในห้องนี้เหรือสวยหมดเลยส่องกระจกดูโอ้ชั้นนี่สวยนะมีขนตาเส้นนี้สวยนี่อุตสาห์เหลือขนตาอยู่เส้นหนึ่งสวยได้นะเนี่ยเรามีรูปร่างอย่างนี้นะมีหน้าตาอย่างนี้แต่ละคนนะต้นทุนมันไม่เท่ากัน คนน่าเกลียดถ้าเรามีศีลสิมันจะน่าดูขึ้นมางั้นบางคนหน้าตาดูไม่ได้เลยนะแต่เขามีศีล น, นะดูยังไงก็ดูดีดูงไงคนก็อยากเข้าใกล้บางคนหน้าตาดีนะแต่แม้มันเลวสุดๆเลยประเภทเลวเจ็ดชั่วโคตรบรรยายไม่จบเลยอนนะหน้าตาดีคนก็ไม่เอาสักพักหนึ่งคนก็ไม่เอา งั้นอย่างเราเลือกไม่ได้หน้าตาเรานั่งเกลียดไปแล้วเรารักษาศีลไว้ศีลจะทําให้เรางามสวยเทวดาชอบนะคนมีศีลเวลาคนไม่มีศีลเนี่ยเรียกให้เทวดาช่วยเทวดาไม่เอาเหม็นบ้านหลวงพ่ออยู่ริมคลองตอนเด็กๆหมูตายก็ลอยน้ำํำลอยเน่านะเหม็นโอ้หมูนี่เหม็นมากในใจคิดอย่างนี้นะ วันหนึ่งไม่รู้ม้ามาจากไหนนะม้าตายลอยน้ำมาดูคนมันช่วยขนาด น, นั้นนะม้ามตัวใหญ่มั่งพอตายเลยทิ้งเลยไม่เอาแล้วโยนลงนะในคลองอุ้ยเหม็นมากเลยแล้วก็นึกในใจนะโอ้ม้าเหม็นกว่าหมูอีกนะมีคราวหนึ่งญาติตายต้องไปรับศพที่นิติเวชตายใหม่ๆนี่แหละเขาไปชนณสูตร ไปรับศพศพยังไม่เน่านะอุย้ยแต่ศพคนอื่นนะ่ะกลิ่นนะ่ะมันสุดๆเลยกลิ่นศพคนนะั้นมันขมเมื่อไปในคอเลยนะใครเคยได้กลิ่นไหมขมแปกนะไปขมอยู่ในคอเลยแล้วความประหลาดยิ่งกว่านั้นคือกลิ่นมันซึมเข้าไปในผิวหนังเราได้กลิ่นม้าตายนะพอม้าไปแล้วไม่มีกลิ่นแนะ้วแล้วเข้าไปที่เขาเก็บศพเนะี่ย กลับออกมาเนี่ยนะกลิ่นติกตัวออกมาเลยมาขึ้นรถรถแอร์ด้วยคนขับรถนั้นมันสั่นพี่พี่ผมว่าผีตามพี่มาแน่เลย <c oughs> บอกปล่ปาล่าเนี่ยมันกลิ่นมันติดเนื้ออยู่เลยนะโอ้มันเหม็นขนาดติดเนื้อเลยนะไม่สวยไม่งามหรอกจริงๆไม่มีตัวอะไรเหม็นเท่าคนเลยเท่าที่เจอนะยังไม่เคยเจอช้างเน่า แต่ว่ากลิ่นขนเนี่ยมันเข้าเนื้อคล้ายๆพวกเดียวกันเกิดมาตัวเ็นทเนี่ยทำยังไงดีใส่น้ำหอมไม่หายเลยเนาะทำใจแล้วรักษาศีลภาวนาไปให้มีศีลให้หอมหอมไหมมีศีลแล้วหอมจริงๆนะหอมคนเข้าใกล้แล้วโอ้ชื่นใจ เวลาเข้าใกล้ครูบาอาจารย์รู้สึกชื่นใจไหมไปหาแต่ลนะองค์นะน่ารักครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์สุดท้ายที่มรณภาพไป น, นะคือหลวงปู่เลียนมรณภาพตอนหลวงพ่อได้ 4, สี่พรรษาแล้วท่านแก่มากเลยนะท่านก็งามงามนะหอมหอมหมดจดหอมได้กลิ่นของศีลมีครูบาอาจารย์อีกองค์นะอายุร้อยกว่าปี คือหลวงปู่คลําให้ไปกราบท่านอยู่ท่านพระดีนะหลวงปู่คลัม่มคนไม่ค่อยรู้จักคนนึกว่าพระแท้ๆอยู่ในวัดปา่า ไ, ไม่จําเป็นหรอกสายอื่นก็มีท่านน่ารักนะอายุตั้งร้อยปีนะงามงามเห็นแล้วก็มีความสุขจูงใจให้คนเขาไปหาครูบาอาจารย์บางองหน้าตาไม่สวยนะแต่คนจะชอบเข้าไปหาก็มีความสุข นั่นเรามารักษาศีลไว้นนะมเมื่อชาวสอนเราวิธีรักษาศีลคอยรู้ทันกิเลสไปเราจะมีเสน่ห์ในตัวเองมีความสวยมีความงามมีความหอมในตัวเองอันนี้สรงของศีลมีมากอันนี้สรงสำคัญของศีลก็คือทำให้เราฝึกจิตได้ง่ายคนมีศีล น, นะจิตจะสงบง่ายคนผิดศีลจิตสงบยากมันฟุ้งซ่านคนคิดจะฆ่าเขาไม่สงบคนเมตตาเขาสงบ คนคิดจะขโมยเขาไม่สงบนะคนคิดจะบริจาคทานเนี่ยสงบคนคิดประพฤติผิดในการมไม่สงบคนซื่อสัตย์อยู่กับคู่ของเราสงบยิ่งอยู่นานยิ่งสงบมากนะอยู่กันอย่างอุเบกขานะมองหน้าแล้วเฉยเฉยสงบไปอยู่กับคนอื่นไม่สงบจิตฟุง้งนซะ่านพูดจริงไม่ต้องใช้ความจํามากเมื่อคนนะั้นคิดอะไรไม่เป็นแล้ว เอาสมองไปใช้จําหมดเลยจําว่าไปกูหกใครเข้าไว้บ้างถ้าคนพูดจริงไม่ต้องจําสบายงั้นพยายามนะรักษาศีลไหมใจจะสบายมีพระวงหนึ่งพาวนาไม่เป็นสมัยพุทธกาลนะรุ่นเดียวกันเป็นพระอราหันต์หมดแล้วท่านเสียใจมากเลยว่าใครๆเข้าไปหมดแล้วเหลือท่าน อะไรก็ทําไม่เป็นเข้าชาญยังไม่เป็นเลยวันหนึ่งนะเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองฆ่าตัวตายแล้วเสียแรงเป็นพระอาปาดคอแล้วท่านก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะตลอดเวลาที่บวชมาเนี้ยรักษาศีลตลอดเลยศีลไม่เคยดังพร้อยรักษาเต็มที่เลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตําหนิว่ารักษาศีลไม่ดีพระอื่นก็ไม่เคยตําหนิตัวท่านเองก็ไม่เคยตําหนิตัวเองได้ว่าศีลไม่ดี เรคิดได้ว่ารักษาศีลมาตลอดนะเป็นเวลาเป็นปีๆใชจมันอิ่มขึ้นมาได้สมาธิอัตโนมัติไหมเป็นสมาธิที่เรียกว่าศีลานุสติระลึกถึงศีลท่านได้สมาธินะท่านเห็นขันมันจะตายหน้างกายจะตายท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นเลยอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบพวกเราเอามีดปากรับรองตกนรกเลย พยายามรักษาศีลไว้ผ่านไปสักสามเดือนนะเราจะเริ่มเห็นผลเวลาเรานึกถึงว่าเรารักษาศีลไดนะ้มันช่อิ่มขึ้นมาใจสงบได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมานี่เราจะมาฝึกเรื่องจิตสิกขาให้เข้มข้นขึ้นไปอีกรักษาศีลไว้นนะแล้วสมาธิจะทําง่ายการทาสมาธินนะั้ก็ใช้สติอีกแหละสมาธิมีหลายอย่าง สมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำไม่มีสติเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เราเป็นสมาธิที่มีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวไปยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปทากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้สึกตัวไว้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวแล้วเวลาใจมันหนีไปคิดมันจะลืมตัวเอง อย่างเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวสักพักมจะหนีไปคิดือาบางทีเราพุโทโธพุโทโธอยู่พุโทโธไปรู้สึกตัวไปพุโทโธพุโทโธอยู่ดีๆแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่พุโทโธซะละให้เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันหนีไปแล้วจากอารมณ์กรรมฐานมันหนีไปจากการรู้ลมหายใจแล้วนะหนีไปจากการรู้อิริยาบถหนีไปจากพุโทโธหนีไปจากท้องฟองยุบละ การที่เรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปนะสมาธิชนิดที่จิตไม่หนีจะเกิดขึ้นสมาธิที่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นสำหรับเอาไปเดินปัญญาไม่ใช่แค่สงบสงบนั้นเอาไว้พักผ่อนก็พอแล้วนะมันทำได้แค่พักผ่อนงั้นพวกเรารักษาศีลให้ดีนะแล้วทุกวันเรามาทาในรูปแบบมาฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วค่อยรู้ทานจิตที่หนีไปคิดหรือจิตเป็นหนีไปที่ไหนก็ค่อยรู้เอามันหนีได้สองอย่างหนีไปหาอารมณ์ภายนอกกับหนีไปเพ่งอย่างเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าบางทีจิตหนีไปคิดที่จิตหนีไปดูคนอื่นนี่หนีออกไปหาอารมณ์ภายนอกนั่งสมาธิรู้ลมหายใจอยู่ข้างบ้านด่ากันจิตเราหนีไปฟังเสียงยจิตมันหนีไปหาอารมณ์ภายนอกส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอะไรมากระทบแรงๆก็หนีไปคิด จิตนี้ไปได้อีกแบบหนึ่งก็คือหนีไปเพ่งอย่างเรารู้ลมหายใจอยู่จิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมให้เราใช้วิธีมีสติรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันอย่างบางคนดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้ทันคนไหนรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทัน ไหนทำจังหวะขยับมือใส่ลงพระเทียนชอบขยับมือมี14จังหวะก็ต้องมีสติขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันงันเน้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวเคลือ่อนไหวแล้วรู้สึกตัวพองยุบแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวค่อยรู้สึกเรื่อยๆแล้วถ้าจิตหนีไปคิดรู้จิตไปเพ่งรู้ให้อย่างนี้เรื่อยๆต้องซ้อมนะ ทักวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาที20นาทีทุกวันเอา15นาทีก่อนจะได้มีกําลังใจแต่ต้องทําให้ได้ทุกวันกลางคืนทําไม่ไหวง่วงก็ทำแต่เช้าตื่นให้เร็วขึ้น15นาทีไม่เป็นไรหรอกมาไหวพระสวมดมนต์สั้นๆไม่ต้องว่ายาวว่ายาวเดี๋ยวหมด15นาทีาไหวนิดหน่อยพอนะระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงพุทธเจ้านี่แหละครูของเราแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ นีไปคิดเรารู้นีไปเพ่งเรารู้อย่างเราเห็นร่างกายหายใจเอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตนี้ไปคิดเราก็รู้ทันหรือจิตไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทันหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ไปดูลมหายใจนะหลวงพ่อสอนให้เห็นร่างกายหายใจไม่เหมือนกันนะดูคราบีสูตรทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาว ท่านไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจหายใจออกยาวใครหายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจเข้ายาวรู้นะเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อยือนอยู่ก็รู้ชัดว่ายือนอยู่ใครยืนร่างกายยืน ใ, น, น, นะในใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะอย่าไปเพ่ง ท่าไม่ได้บอกพิสูจทั้งหลายเพ่งลมหายใจไว้พิสูจทั้งหลายเพ่งท้องไว้เพ่งเท้าไว้เพ่งมือไว้ไม่ได้สอนอย่างนั้นให้รู้สึกในร่างกายเนี่ยเห็นขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมเอาทุกคนยิ้มหวานยิ้มแล้วเห็นร่างกายตัวเองยิ้มไหมเนี่ยเห็นด้วยใจไม่ต้องไปดูกระจกหรอกลองทําหน้าบื้องซิทําหน้าบื้องทําหน้าเบื้องเห็นไหมร่างกายหน้าบื้องบางคนไม่น ห, หน้าเบื้องเลยมหน้าหน้าทะเลน้น เห็นร่างกายหน้าทะเล้นก็รู้เห็นร่างกายหัวเราะก็รู้ไม่ไปเพ่งถ้าเพ่งใจจะแน่นส่วนใหญ่ของนักปฏิบัตินะคือนักเพ่งยกเว้นได้ยินได้ฟังธรรมะหรอกเข้าใจแล้วถึงไม่เพ่งไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไปดูท้องก็เพ่งท้องไปดูเท้าก็เพ่งเท้าไปดูมือก็เพ่งมือถ้าเพ่งแล้วมันก็นิ่งจิตมันจะเคลื่อนไป เคลื่อนไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องเคลื่อนไปอยู่ที่ลมอีกนะเคลื่อนไปก็คือใช้ไม่ได้แล้วเราจะมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นจิตมันเคลื่อนซะแล้วงั้นทกนากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเอาทุกคนตอนนี้กำหนดจิตไปที่ผมของตัวเองสิส่งจิตไปอยู่ที่ผมนึกถึงผมนึกถึงผมไหมเอาเปลี่ยนใหม่ มานึกถึงหัวแม่มือข้างขวาเอาเปลี่ยนไปดูหูข้างซ้ายส่งจิตไปไว้ที่หูข้างซ้ายเนี่ยพอละนะเห็นหจิตมันเคลื่อนไปได้เวลารู้ลมหายใจนะจิตัวไหลไปอยู่กับลมอยู่เฉยๆก็ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดจิตมันวิ่งไดนะ้เคลื่อนไปเคลื่อนมาให้เรารู้ทัน อย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพาดูนะพาซ้อมซ้อมให้จิตเคลื่อนธรรมดามันเคลื่อนอยู่แล้วละ่ะแต่เราไม่เคยเห็นคราวนี้เราจงใจเคลื่อน่อยเคลื่อนไปอยู่ตรงนี้รู้ทันในเคลื่อนมานี่แล้วเคลื่อนไปตรงนี้รู้เคลื่อนไปตรงนี้รู้นะวนๆอยู่ในร่างกายเราเนี้ยละย้ายไปย้ายมานะแต่ไปจิตมันหนีไปที่ไหนเราจะเห็นได้ซ้อมรู้ไว้นะแต่เวลาทากรรมฐานในรูปแบบนะไม่ต้องเล่นแบบนี้นะ ถ้าเราดูจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเป็นแล้วอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเลยว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้ถ้าเราเห็นว่าจิตมันเคลื่อนได้แล้วเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเราก็รู้เอาว่ามันเคลื่อนไม่ต้องจงใจเคลื่อนไปเคลื่อนมาที่พาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยเพื่อให้หัดดูเท่านั้นเองพอเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนได้แล้วต่อไปเรามาพุทโธพุทโธพุทโธมันหนีคิดเรื่องอื่นมันเคลื่อนไปเรารู้ หรือมารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตมันไหลไปเพ่งลมหายใจเรารู้ก็เคลื่อนเหมือนกันรู้เพื่ออะไรไม่ห้ามให้เคลื่อนได้จิตปกติก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่แล้วแต่ไม่เห็นคราวนี้ก็แค่ว่ามันเคลื่อนเราเห็นเท่านั้นเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปก็เห็นเคลื่อนไปคิดก็เห็นเคลื่อนไปเพ่งก็เห็นอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพาดูนะเรียกว่าเคลื่อนไปเพ่ง เคลื่อนไปอยู่ที่ผมเคลื่อนไปอยู่ที่ตรงโน้นเคลื่อนไปอยู่ที่ตรงนี้มันไปเพ่งลองไปเพ่งท้องซิเพ่งท้องผ่องยุบลองดูซิเอาทุกคนเพ่งท้องรู้สึกไหมจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยนักปฏิบัติที่เขาฝึกกันนะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกจิมเคลื่อนไปเรียบร้อยแล้วให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ห้าม แต่รู้ทันว่าเขาเคลื่อนจําตรงนี้ให้ดีนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกทุกวันต้องซ้อมในรูปแบบต่อไปมันเคลื่อนเมื่อไหร่เรารู้เมื่อ น, นั้นรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วจะเกิดสมาธิชนิดจิตที่ไม่เคลื่อนเรียกว่าจิตตั้งมั่นสมาธิจิตตั้งมั่นจะเกิดขึ้นสมาธิจิตตั้งมั่นนี่แหละคือสมาธิที่จะเอาไว้เดินปัญญาไม่ใช่สมาธิไปพักผ่อนนะ อย่างเรารักษาศีลเรานึกถึงศีลของเราเนี่ยจิตเราสงบสบายนี่สมาธิพักผ่อนแล้วก็มาซ้อมสมาธิจิตตั้งมั่นโดยการทำกรรมฐ า, านอย่างหนึ่งแล้วจิตไม่ตั้งมั่นคือไหลไปแล้วเรารู้ทันทีที่รู้ว่าไหลจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปนั้นไหลด้วยอำนาจของโมหะชื่อว่าอุทัจษะความฟุ้งซ่านทันทีที่สติระลึกรู้ ว่ามีโมหะเกิดขึ้นโมหะจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติว่านั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะงั้ น, ท, นทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติโดยไม่ต้องจงใจตั้งมันตั้งเองเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่เคลื่อนกนาะรเคลื่อนจะดับอัตโนมัติเลยไม่ต้องจงใจเพาะทำไงจะไม่เคลื่อนนะเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะจําตรงนี้ให้ดีนะไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนนะเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไป พอเคลืนแล้วรู้สมาธิชนิดตั้งมั่นก็จะตั้งขึ้นมาได้ชั่วขณะนะแล้วเดี๋ยวเคลื่อนอีกรู้อีกเคลื่อนอีกรู้อีกสุดท้ายจิตจะตั้งทรงตัวอยู่นะมันชํานาญขึ้นมามันจะทรงตัวโดยไม่ต้องรักษาสมาธิที่จิตเป็นตัวรู้เนี่ยมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งเป็นธรรมชาติเวลาจิตเคลื่อนไปเรารู้จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นที่ถูกต้องขึ้นมาใจจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไว ซื่อตรงในการรู้อารมณ์มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้นะสมาธิจิตตั้งมั่นอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่ผิดคือจงใจตั้งอันนี้จิตจะแข็งแข็งทื่อๆหนักๆแน่นๆแข็งแขงทื่อๆเะฉั้นบางคนรู้ตัวตลอดนะแต่ทื่อๆอย่าพยายามทําตัวเป็นหุ่นยนต์นะไรความรู้สึกเป็นมนุษย์น่ะดีแล้วมีบุญนะที่ได้เป็นมนุษย์ อย่าพยายามพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้เราพัฒนาจนมาเป็นมนุษย์แล้วนะอย่าถอยหลังกลับไปเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินอะไรขึ้นมาอีกมีความรู้สึกใจเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้จะได้สมาธิที่ถูกต้องนี่บทเรียนนี้ชื่อจิตศิขานะเรียนรู้ทันจิตตัวเองมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาในสุดได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา นี่ชื่อบทเรียนชื่อว่าจิตสิกขานะส่วนปัญญาศิกขาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ายาวเจริญปัญญาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องอารมณ์กรรมฐานน ะ, จ ะ, จะเจริญด้วยอารมณ์อะไรนะจะใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วรู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตหรือรู้ธรรมรู้กายรู้เวทนาทำแบบไหนเหมาะกับคนชนิดไหนรู้จิตรู้ธรรมเหมากัคนชนิดไหน รู้กายรู้อย่างไรรู้นมามธรรารู้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเรียนไปแต่ละอันไม่เหมือนกันรู้กายก็รู้แบบหนึ่งรู้จิตก็รู้แบบหนึ่งดูไม่เหมือนกันค่อยๆเรียนเอาถ้าเข้าใจที่หลวงพ่อสอนนะกรรมฐานจะเหลือนิดเดียวสั้นนิดเดียวไม่มีอะไรมากเลยมากผลนิพพานอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลลที่มันไกลเพราะไม่รู้ทาง งันวันนี้เราหลวงพ่อบอกเส้นทางกลับบ้านมาให้สองสเตปแล้วนะเรื่องของศีลสิกขากับจิตแสิกขารักษาศีลมีสตริรู้ทันกิเลสศีลจะเกิดนะแล้วก็ซ้อมมีศีลในะยกันรักษาศีลไว้ทุกวันนี่ซ้อมไปเรื่อยนะรักษาซ้อมใจมีกิเลสรู้ทันมีกิเลสรู้ทันในทสุดศีลมันเกิด มีศีลสักช่วงหนึ่งนะใจสงบลนะ้ได้สมาธิอัตโนมัติสมาธิชนิดสงบและทุกวันนะไม่ต้องทําเป็นขั้นขั้นนะตอนถือศีลเนี่ยก็ฝึกจิตสิกขาได้เลยไม่ต้องรอว่าศีลสมบูรณ์แล้วตีไปฝึกจิตสิกขานะฝึกพร้อมกันไปได้เลยสองขั้นนี้มันคือการเตรียมความพร้อมของกายวาจาด้วยศีลสิกขาเตรียมความพร้อมของใจด้วยจิตสิกขา กายวาจาใช้ศีลสิกขาเตรียมความพร้อมจิตเราใช้จิตลสิกขาเตรียมความพร้อมพอเราพร้อมแล้วเราก็ไปเดินปัญญานี่ก็ปัญญาสิกขาถ้าเดินปัญญาสิกขาถูกนะแล้ขยันหน่อยนะดูตลอดเวลาเท่าที่ทําได้นะเวันเจเดือน7ปีข้างหน้านี้แหละเราควรจะได้ธรรมะขั้นต่ําควรจะได้โสดา ไม่ยากเกิน อ, อกเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนกรรมนักรรมนำักักสการค่ะวันแรกๆที่มาอยู่วัดก็ยังมีฟุงซ่านค่ะแล้วก็มีง่วงนอนก็เลยกินให้น้อยลงแล้วก็ดูอิเนียบดอยให้มากขึ้นค่ะแล้วก็มีสติในการยืนเดินนั่งนอนเขียว mm hmm. พอเข้าวันที่3คือปกติหนูจะเดินรู้สภาวะ ความเย็นของผืนตึงหย่อนของขาค่ะเดินไปมันก็อยู่มันจากปกติที่มันจะแนบที่เวลาความรู้สึกตรงนั้นมันก็แยกออกมาได้เองว่าออกายมันเดินอยู่ใจมันดูอยู่ต่างหากค่ะเออนั่นแหละถ้าเรียนกับหลวงพ่อเนะี่มันก็แยกเร็วหรอกถ้าไม่ได้เรียนนะมันแนบทั้งชาติเลยใช่ค่ะ ค่ะมันก็เห็นอัตโนมัติของมันเองว่ามันมแยกค่ะแล้วก็เดินเดินไปหรือทำงานกวาดพื้นค่ะท้องน้ำเนมันก็จะรู้ความไหวกระทบออมันอยู่ต่างหากของมันค่ะน้าใจเป็นคนดูแต่เราไม่รักษาให้แยกน ะ, ะแยกก็แยกรวมก็รวมให้รู้ไปไงั้นแล้วมันแยกเองถ้าจงใจแยกจะเป็นตัวรู้ที่ผิดที่หลวงพ่อบอกตะกี้เนี่ย ถ้าเขาแยกเองอเป็นตัวรู้ที่ถูกรู้สึกไหมมันเบามันนุ่มนวลมันโปร่งถ้ารู้อย่างนั้นมันจะเบามันอ <จะ S 2> งไวค่ะง น, นั้นถึงจะถูกมหากุสุร จ, จิตนะมันจะมีลักษณะนี้นะมีลหุตาเบามีมูทุตานุ่มนวลนะมีกรรมัาตาควรแก่การงานมิขี้เกียจมีปา่าคุณตาคล่องแคล่วปราดเปรียวนะมีอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้ซื่อๆอะไรมาก็รู้นะไม่เข้าไปแทรกแสง ที่หลวงพ่อสอนแล้วมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมานี่คือจิตที่เป็นกุศลล้เมื่อจิตเป็นกุศลแล้วเราก็มาฝึกจิตให้เกิดปัญญาจิตที่เป็นกุศลนั้นมีสองกลุ่มอันนึงเป็นกุศลเฉยๆไม่มีปัญญานะเรียกว่าญาณวิปยุตอันหนึ่งเป็นกุศลแล้วก็มีปัญญาเรียกว่าญาณสัมปยุตนในญาณวิปยุตญาณสัมปยุตเนี่ยยังแยกออกไปได้อีก แบบที่ต้องจงใจทําให้เกิดชักชวนให้เกิดกับแบบที่เกิดอัตโนมัติที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเร า, เ, าเพื่อจะให้จิตเป็นกุศลนะเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตมีปัญญาอาศังคาริกงังเกิดอัตโนมัติต้องอัตโนมัติเนื้อที่พาฝึกมาก็เพื่อมาให้จิตชนิดนี้เกิดขึ้นจิตชนิดนี้แหละเอาไปทํำวิปัสสนาตัวจริงนะไม่ได้เจตนาเลยถ้าเจตนาไม่ใช่อะ่ะจะแน่นๆค ขอถามหลวงพ่ออีกข้อนึงค่ะเวลาอย่างในชีิตประจำวันหนูก็จะรู้สึกเวลากายมันเดินขอนี้เวลาเดินขาพลิกหรืออะไรอ่ามันจะรู้สึกว่ามันมีความแข็งหรือกระทบกับความหนักๆอะไรเงี้ยแล้วมันถึงจะมีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าเราไปหมายว่ามันเจ็บแล้วเหมือนความกลัวมันเกิดขึ้นนะคะก็เลยนึกว่าถ้าสมมติแบบเราไปโดนอุบัติเหตุเราจะตายอ่ะหนูควรวางจิตไว้อย่างไงอะค่ะคือบางทีมันกระชาติกลับมาที่ลมหายใจมันหนีไปอยู่ที่ลม คือหนูจะไปคิดอยู่ในกรอบที่เคยฝึกมานะะนั่นเบสิกมากเลยฝึกมาแทบเป็นแทบตายเพื่อจะตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาได้ก็บุญนักหนาแล้วต่อไปนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะเพราะฉะนั้นจิตจะหลบมาอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตมาอยู่ที่ลมเนีนะ่รู้ทันจิตเท่าไปเลยต่อไปนี้นะกายไม่มีอะไรกายเป็นแค่วัตถุ ยืมโลกมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองจะเรียนรู้อะไรกันนะรู้เท่าทันตัวจิตนี่แหละเพราะอากุศลเกิดที่จิตนนกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตที่เข้าเรียนรู้กายเขาเพื่อจะได้ให้เห็นจิตเท่านั้นเองเพราะฉนั้นต่อไปนี้นะสมมติราลดกว่ํามันเจ็บมากเลยนะใจกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวรู้เข้ามาตรงนี้เลยนะหรือเราเดินจงกลมอยู่สบายใจรู้ว่าสบายใจไม่ใช่ไปรู้พื้นว่าพื้นเย็นนะ เพราะอะไรเราไม่ต้องรู้พื้นเพราะอะไรพื้นไม่เป็นตัวเราแน่นอนเรามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราเมรนั้นจะพื้นจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งไม่มีความสาคัญอะไรเลยไม่มีใครเห็นพื้นเป็นเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วการภาวนานเนี่ยเรียนรู้เข้ามาที่กายเรียนรู้เข้ามาที่ใจถ้าเข้ามาที่ใจไม่ได้ก็เข้ามาที่กายก่อนถ้าเข้าที่ใจได้แล้วก็ดูใจไป เมื่อนั้นถ้าเราเห็นร่างกายเดินใจเราเป็นคนดูเดินไปแล้วขี้เกียจเห็นความขี้เกียจเกิดขึ้นเนี่ยรู้ทันไปแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเช่นมันเกิดเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยอย่ามัวแต่ไปจ้องตัวเวทนาถ้าไปจ้องตัวเวทนานะมันจะมีแต่เจ็บมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วตายไปตนนั้นเลยยังช่วยตัวเองไม่ทันเวลาเจ็บมากๆเนี่ยให้ย้อนมาดูจิตที่มันยิดร้ายต่อความเจ็บ พอมันเจ็บปุ๊บ de ใจไม่ชอบเนี่ยรู้ใจรู้ตรงที่ใจไม่ชอบใจอยากจะพ้นไปรู้ว่าอยากเล่นตรงนี้เลยเล่นขเนข้ามาที่จิตเลยจะรอดหรือจะไม่รอดก็อยู่ที่จิตนี่แหลนะเพราะงั้น่านามาได้ถึงตรงนี้แล้วแต่ไปนี้นะร่างกายเคลื่อนไหว ร, รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหว ร, รู้สึกไม่มีสายไหนอีกแล้วไม่มีสายกายไม่มีสายจิตหรอกเพราะร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นกายเป็นไตรลักษณ์จิตทางานไปก็เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ อย่าไปปกครองให้มันแข็งนะจิตไปรวมก็รู้จิตแยกออกมาก็รู้ถ้าแยกออกมาแล้วเห็นจิตทำงานได้ก็เห็นไปถ้าไม่เห็นจิตทำงานก็เห็นร่างกายทำงาน กลับนมัสการเจ้าค่ะก็หลวงพ่อให้พิจารณาความตายเจ้าค่ะจิตมันก็ยอมยอมเจ้าค่ะแล้วก็รวมบาแล้วคูบาอาก็ให้พูกายเพิ่มเจ้าค่ะมันก็เหมือนมีแรงมากขึ้นแล้วก็เห็นขันมันทำงานเหมือนรู้สึกว่าเสียเวลาเพราะหลวงพ่อทักเรื่องหนูหนีหนีตัวทุกตั้งแต่ปีที่แล้วเจ้าค่ะเหมือนตอนนี้กลับมาเริ่มทาได้ดีแล้วล่ะนะ ต่อไปนี้เราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะถ้าจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตดีจิตร้ายก็รู้ทันเอาฝึก อ, อย่างนี้แหละพอถึงขั้นวิปัสนาตัวจริงไม่มีสายแล้วนะเพราะเราเลือกไม่ได้ว่าสติจ ะ, ะระลึกรู้กายหรือสติจ ะ, ะระลึกรู้เวทนาหรือจ ะ, ะระลึกรู้จิตหรือจ ะ, ะระลึกรู้ธรรมเลือกไม่ได้แต่ไม่ว่าระลึอกอะไรก็เห็นไตรลักษณ์ใจเป็นคนดูอยู่นะอย่าพยายามรู้ให้ชัดนะ รู้เท่าที่รู้ได้ถ้ารู้ให้ชัดเนี่ยของเก๋เลยนะมันจะเร้าความรู้สึกเข้มมากไปพอเร้าความรู้สึกเข้มมากๆนะมองออกไปข้างหน้าเนี่ยจะเห็นอากาศเป็นเม็ดๆเลยนะเรามากๆใช้ไม่ได้หรอกงั้นสติที่กล้าแข็งเกินไปเป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งนะใช้จิตทำสติธรรมดานี่แหละรู้เท่าที่รู้ได้อ้าวว่ามานมัส ก, การครับเมือ่มอ ใจมันหนีไปนานอ่ะนะครับมันก็พยายามกลับเข้ามารู้ได้ไวขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยกล้าหนีนานอืแล้วทีนี้พอตั้งแต่พุธบ่ายอ่ะนะครับมันจิตมันไปปา마พละตะนาตใจนะครับงขอขมาพละตะนาตใจขอเขมาหลวงพ่อขอเขมาไม่ให้ชี้ด้วยนะครับอืแล้วไม่เมื่อกี้ถึงบอกไงว่ามันทําของมันเองครับฟังหลวงพ่อเมื่อเช้าก็สบายใจขึ้นแล้วครับแล้วทีนี้ในเรื่องของการปฏิบัติอนะครับ รู้สึกว่ามาวัดเนี่ยครับตั้งมั่นได้เยอะมากเยอะแบบเยอะเลยอะครับแม่สิ่งแวดล้อมมันสบายสําหรับเรารเราไม่มีภาระแต่อย่างถ้าเราเป็นคนอยู่ในวัดนะจะมีงานจะไม่ต่างกับอยู่บ้านนะครับแต่นี้คล้ายๆเราร่อนเร่มานะไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เ, เลยบ้านก็มีให้อยู่ข้าวก็มีให้กินใช่ไหมน้มําก็มีให้อาบไม่ต้องทำอะไรสักอย่าง ก็มีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะเท่านั้นเองครับก็เลยเริ่มเข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่าความสบายเป็นเหตุไก้ให้เกิดสมาธิครับก็เลยรู้ว่าตั้งหลายปีที่เรียนมาเนี่ยไปดัดแปลงมันผิดหมดอะไรเงี้ยครับจริงๆมันต้องสบายสบายแบบนี้แหละไม่ใช่ไปดัดแปลงมันอ่ะฮะที่ ร, รู้แล้วก็ไปทำเอานะอยู่บ้านก็สบายได้อย่าไปซีเรียสทุกสิ่งทุกอย่างนะ หลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับเค <c oughs> ยทาํางานบ้านบ้างไหมทําครับเออดีนะกวัดบ้านถูบ้านสะอาดสะอาดนะสบายใจพอตาอยู่บ้านบ้างๆก็ทํางั้นไม่ต้องไปเล่นไลน์เล่นอะไรต่ออะไรเยอะนะเสียนี่หลวงพ่อไปอ่านหนังสืออันหนึ่งนะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยใกล้บ้ามากแล้วใช้เวลากับสมาร์ทโฟนทนะั้งว่าละเจ็ดชั่วโมงครึ่งไม่ทำมาหากินแล้วหรอ เด็กก็คงไม่เรียนหนังสือละต่อไปเป็นชาติปัญญาอ่อนนะกับนรำม ก, การครับหลวงพ่อครับก็คงต้องมันภาวนาบ่อยๆอ่ะครับฟุ้งั่านเก่งไหมก็ฟุ้งครับฟุ้งส่านทุกวันต้องทำในรูปแบบนะครับแต่ทำก็อย่าไปบังคับมันครับผมทำบูชาพูดพุทธเจ้าปฏิบัติบูบบบชา จะสงบหรือไม่สงบจะดีหรือไม่ดีก็ช่างมันให้ได้ปฏิบัติเราใช้ได้ครับถ้าคิดว่าจะเอาดีเอาสงบแล้วก็ใจจะแข็งไปครับผมอย่าจงใจมากนะครับเอาต่อไปกลับกลับนวัตการมหลวงพ่อค่ะคือหนูเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณสองเดือนนะคะวันนี้ขออนุญาตส่งการบ้านแล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับแนวทางของการทําสมาธิค่ะ คือว่าในระหว่างวันนะคะหนูก็จ ะ, ะนึกถึงรู้สึกตัวนะคะว่าอริยาบถเป็นยังไงในระหว่างวันในการทํางานนะคะแล้วก็สมมติว่ามีใครมากระทบยังไงจิตรู้สึกเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนี่ก็คือระหว่างวันนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะก็จะนั่งทําสมาธินะคะตามรูปแบบนะคะเดีครานี้ตอนเรานั่งทําสมาธิก็คือจะแบบ รู้รอบอากาศคือสัมผัสรอบๆตัวเรานะคะแล้วก็ข้างในที่อากาศเข้าไปข้างในร่างกายพองยุบเหมือที่หลวงพ่อบอกนะคะก็จะสังเกตอาการอย่างนี้ไปประมาณร้อยครั้งนะคะเมื่อตอนร้อยครั้งปุ๊บเนี่ยถ้าวันไหนที่ทําดีๆเนี่ยก็คือว่าจิตก็จะเหมือนกับว่าตั้งมั่นขึ้นมารวมขึ้นมาอย่างนี้ค่ะกายก็จะแบบว่าโปร่งกลวงไปแล้วคราวนี้จิตก็จะสงบก็สมองก็จะไม่นึกไม่คิดไม่อะไรแล้วเป็นนิจก็เป็นสมถรค่ะเป็นสมถะนะ เนี่ยนะคะก็คือคันนี้พระตอนนึกถึงที่หลวงพ่อเคยสอนไว้ว่าพระตอนจิตที่นิ่งแล้วเนี่ยก็อย่าไปติดตรงนิ่งตรงนั้นแล้วก็ให้พยายามนึกถึงการเดินปัญญาเดินปัญญาแบบไจรักเนะะี่ยค่ะตรงนี้นะคะที่หนูยังมีคําถามว่าหนูดูกายบ่อยๆนะ <c oughs> แล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวร่างกายพป ย, ย้อนหาเห็นเหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยนะเห็นแบบใจสบายๆไม่รักษาใจให้แข็งนะ ก็ว่าตอนนี้ยังติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะใช่ใช่อันนี้มันเป็นผลจากที่เราฝึกมานั่นแหละต้องกล้ากลานิดหนึ่งนะไม่ดีก็ได้คล้าตรงนี้ไหมไม่ดีก็ได้สมาธิเนี้ยทาไปแล้วจิตนิ่งเลยนี่พอไปเห็นสิ่งอื่นเคลื่อนไหวแสดงใจรักนะั้นนึกว่าเดินวิปัสสนาไม่เดินหรอกเพราะมันเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึง่งจิตนั่นแหละเที่ยงถ้าจะเดินปัญญา จ, จริงไม่มีตัวไหนเที่ยงเลยมีแต่ทุกตัวไม่เที่ยง งัอย่าไปรักษามันนะไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลานะดีบ้างร้ายบ้างอันนี้ตอนตอนเราทําสมาธินี่เราควรจ ะ, ะพิจารณาหรือรู้สึกไปยังไงอะคะในการทําสมาธิสมาธินะถ้าจิตสงบรู้ว่าสงบสงบแล้วพอใจรู้ว่าพอใจนะแล้วก็ถ้ามันติดเฉยอยู่อย่างเงี้ยก็ดูกายให้เยอะขึ้นคือถอยลงมากลับมาดูกายถอยกลับ <นะ S 1> มาดูกายกาย้อนกลับมาดูร่างกายไปแล้วดูเหมือนดูคนอื่นนะ ไม่ต้องไปดูหรอกกายเย็นกายร้อนกายอ่อนกายแข็งแค่รู้สึกมันทั้งตัวนี้แหละเห็นใ้ตัวนี้ไม่ใช่เราเลยเราแยกเป็นส่วนๆไหมคะไม่ต้องเราไม่ได้ทำกายยัคตาสติยัคตาสติเป็นสมถะอันนี้เห็นตัวนี้แหละไม่ใช่เราไม่ต้องแยกเป็นส่วนนะแยกส่วนนี่เรียกกายยัคตาสติขอบคุณค่ะนักประสาทหลวงพ่อครับจะมาอยู่วัดนะครับเขา อยู่กับโลกก็ฟุ้งกับโลกเยอะเหมือนกันนะครับคือโซเชียลมีเดียก็ลดใช้นะครับดีดีเข้าพรรษาหยุดไปฮะแต่กลายเป็นว่าติดต่อทางโทรศัพท์ไปเจอคนเยอะขึ้นครับอ้าวทำไมล่ะเวลาโทรนะมันเสียตังค์คนมันไม่ค่อยโทรหรอกช่วงนี้กับเยอะคเลยแต่ก็มีคำแนะนํำไหมครับคือถ้าจําเป็นนะเราก็ติดต่อนะครับแต่เล่นแต่ไม่เอาเสียเวลาเสียเวลามากถ้าจะมาอยู่วัดนี่คือคือช่วงนี้ผมว่าผมถ้าจะหลบไปดูก็จะเป็นรูปพระครับ ระชอบได้ดูรูปพระไม่ใช่พระเครื่องนะจริงๆคือพระเครื่องครับอ๋อดูเครื่องเน้อดูครูบาอาจารย์ดูพระเครื่องแล้วถ้าจิตโลภให้รู้ว่าโลภนะครับอัเนี้ดูจิตไปใช้ได้เหมือนกันคือไปสร้างพระเครื่องมาครับแล้วก็เป็นรูปคือจ้างคนพอช่างเขาวาดแล้วก็เหมือนกับเราก็เห็นลายกนกคล้ายๆข้างหลังเนี่ยครับเราชอบมีรูปพระจันทร์พระอาทิตย์โอ้มันจะออกนอกสิออกนอกครับได้งนี้เราดึงกลับมาดูกายได้ไหมครัเออถ้าจะลําบาก คือลืมตาก็เห็นนะหลวงพ่อดูไกลมากๆไว้นะกลับมาหาตัวเองนะพระเครื่องพระบูชาเบาๆหน่อยก็ได้ครับมาถ้าดูพระตัวจริงครับตัวจริงในใจเราครับน้นมัธการครับหลวงพ่อเขาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าไปติดตัวผู้รู้ครับแล้วก็ช่วงนี้พยายามจะอาศัยร่างกายเคลื่อนไหวดู ดูว่ามันซึมน้อยกว่ า, าการบริกรรมหรือลมหายใจครับหลวงพ่อดีถ้าพวกติดสมาธินะ่าต้องดูกายครับดูกายไว้ไปดูจิตไม่ได้มันจะว่างๆยังไม่มีอะไรให้ดูเดี๋ยวก็หลับนะคุณครับมาสการหลวงพ่อคะ่ะคือโยมปฏิบัติมาได้ทั้งห้าเดือนนะคะก็คื อ, เ, อเห็นณขนาดนี้ก็คือเห็นเห็นจิต จิตนะคะมันมันเกิดดับค่ะเห็นก็คือเห็นตั้งแต่กระบวนการที่มันเริ่มเริ่มเกิดขึ้นมาก็คือตั้งแต่อย่างอย่างตามันมองเห็นอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็คิดแล้วก็มันก็เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแล้วก็ก่อนหน้านี้คือยมก็เห็นว่ามันดับนี่คือมันจะดับคือมันคบกระบวนการแล้วมันก็จะดับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ที่เห็นก็คือบางทีมันก็จะวิ่งมาดับตรงกลางหน้าอกอะค่ะแล้วก็บางทีก็คือยังไม่ทันได้ คิดยังไม่ทันไม้วิ่งไปที่ไหนมันก็ดับตรงที่ททตาเห็ น, นะคะ่ะถูกถูกไหมคะถูกบางทีมันขึ้นจากผวังมานะขึ้นมาไม่เต็มที่ตกลงไปอีกก็มนะีขึ้นไปที่ตาแล้วจบลงที่ตาเลยก็มนะีหรือส่งสัญญาณมาที่ใจใจทํางานนิดนึงดับไปเลยก็มีหรือทําเต็มรูปแบบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลแล้วค่อยดับก็มีมีหลายแบบถูกค่ ะ, คะแล้วอีกอันนึงก็คือเคยนั่งสมาธิอะค่ะคือคือ แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเข้าชานะคะแล้วก็คือไปคือความรู้สึกดับไปทั้งหมดคือกายก็ไม่มีลมหายใจไม่มีอะไรค่ะแล้วก็เหลือตัวรู้เด่นอยู่ตัวเดียวใช่ได้ถูกไหมคะถูกก็คือยมก็เลยคิดว่ามันจริงๆแล้วขันก็คือมันก็ขันห้าก็ส่วนขันห้าผู้รู้มีอยู่ต่างหากเลยคะตรงที่เราเข้าสมาธิได้นะจะเหลือจิตดวงเดียวเนี่ยค่ะพอถอยออกมานะมันจะแจ้งในใจเลยว่าขันส่วนขันจิตส่วนจิตนะ แล้วข้อดีแล้วก็ตอนนี้คือที่เห็นก็บางทีอย่างนั่งทํารูปแบบอยู่นั่งสวดมนต์เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละขันเขาก็ทํางานของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกันเลยที่โยมเข้าใจเมื่อก่อนก็คือว่าจิตะเป็นนายกายเป็นบ่าวจริงๆแล้วไม่ใช่คือต่างคนต่างทํางานเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรกันนี่ถูกไหมคะถูกส่วนหนึ่ง ล, ล้านล้วณนาขณะนั้นน่ะคือมันจะไม่มีเราละ อ, อือไม่มีเราค่ะแล้วก็พอพอพอมันรวมกันเนี่ยปุ๊บเนี่ย มันก็จะมันก็จะมีเลาขึ้นมาทันทีนี่แหละ ย, ยังไม่ใช่โสดา <laughs> ถูกใช่ไหมคะถูกแล้วอีกอันหนึ่งก็คื อ, อคือหลวงพ่อเคยบอกว่าวิหาราธรรมอะคะ่ะก็คือให้แบบยึดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างยมนี่ดูดูด่างกายก็คือดูกายก็คือดูลมหายใจดูรู้ลมหายใจอะคะ่ะ โดยส่วนใหญ่ก็คือจะรู้ลมรู้ร่างกายที่หา ย, หายใจอยู่แต่บางครั้งอ่ะแค่เริ่มนั่งเนี่ยมันก็แบบมันเบามากค่ะแต่ไปรู้ที่ท้องแทนเนี่ยได้ไหมคะได้มันก็ยังเป็นกายอยู่อ๋อค่ะอันนั้นสําหรับคนหัดใหม่นะที่ว่าควรจะรู้วันเดียวอะ่ะไม่ใช่วันนี้พุโทโธวันนึงหายใจวันนึงดูท้องรวมแล้วไม่ได้เรื่องสักวันหนึ่งเลยอ๋ออันนี้ก็คือพอบางทีลมหายใจไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเป็ น, นเองนะไม่เป็นไรอ๋อค่ะ มันเด่นอยู่ที่ท้องอมันเด่นที่ไหนก็รู้ไปะแต่เป็นสมถานะค่ะใจมันเคลื่อนไปที่ท้องดูออกไหมดูออกค่ะเพราะว่าบงก็คือทำก็คือถ้าเรารู้ทันใจที่เคลื่อนเนี่ยใช้ได้แล้วเพรใจจะตั้งมั่นแล้พอใจตั้งมั่นขันใจแยกค่ะแล้วเราจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีหรอกที่ใจเป็นนายกายเป็นเบาบางทีเราก็สั่งกายแต่ว่าร่างกายเนี่ยรับคําสั่งบ้างไม่รับคําสั่งบ้าง บางทีเขาสั่งไม่ได้บางทีเขาสั่งได้ยางสั่งให้ยกมือก็ยกได้ถ้าถึงบอกว่าใจมันเป็นนายหรือร่างกายเนี่ยจะไปทำดีดนนก็ได้จะไหว้พระสวดมนต์ก็ได้จะไปฆ่าคนก็ได้เพราะอะไรเพราะใจเป็นสั่งเนี่ยที่ว่าใจมันเป็นนายมันเป็นอย่างนีนะ้จะไปบอกว่าเขาผิดหมดหรืไม่ได้นะว่าสั่งไม่ได้เลยไม่ใช่นะไปทำอีกไปค่ะ เออไม่ไม่ได้ส่งการบ้านมาปีตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็มารายงานผลการปฏิบัตินะคะว่ายังทำถูกถูกทางหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าทําก็ถูกแล้วก็คือการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิอย่างเนี้ยค่ะก็ดูร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็บางทีมันก็รวมจิตมันก็รวมมันก็เห็นเป็นแสงขึ้นมาอย่างนี้เจ้าค่ะมันจะมีตัวรู้กับเห็นแสงอยู่ต่างหากอย่างเนี้เจ้าค่ะมีตัวรู้ใช้ได้ อย่าให้ตัวรู้ไหลตามแสงไปนะหนูภาพตอนเด็กๆตัวรู้ไหลตามแสงไปไปเที่ยวเที่ยวนรกสวรรค์นรกไม่ไปกลัวผีไปแต่สวรรค์ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็ดูแสงมันคือมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยเิดเปลี่ยนใหม่ต่อไปพอเกิดแสงแล้วก็ย้อมาดูจิตแสงก็สิ่งที่จิตจะดูใช่ดูจิตชอบจิตไม่ชอบนะเจ้ค่ะงั้นโมแต่ดูแสงไม่ได้ประโยชน์คนะ แล้วตอนนี้ตอนกลางคืนเวลานอนเนี่ยเวลามันจะพลิกตัวอะไเนียมันรู้รตัวหมดเลยใช่หมใช่มันรู้หมดค่ะแล้วก็มันจะภาวนาพอตื่นขึ้นมามันจะชอบภาวนาออดีอย่างนี้ยมาบาลสายหน้าเลยไม่เอาไปอยู่ด้วยหลวงพ่อมีอะไรแนะนำที่ทำอีกไหมแล้วคอยรู้ทันจิตไปจะตามแสงนะหนูมีคำถามที่จะถามหลวงพ่อคือว่าเออที่เห็นตอนช่วงนี้มันจะเห็น อ, อ, อนัตตาควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยเห็นอย่างนั้นก็เป็นพวกปัญญากล้ามอ่เห็นอนัตตาค่ะอยให้คิดเดยอะก็แล้วกัน<ะ>จุดอ่อนของพวกปัญญามากคิดมากไปให้รู้เอาอเ ค, ค่ ะ, ะกลับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้ของโยมเจอสังเกตตัวเองว่าจะมีมันจะเข้าไปอัดๆแน่นๆบางทีก็จะออคลายบางทีก็จะเห็นบางครั้งเขาคลายได้เองอย<ะ>่างเงี้ย งยมบางทีันมันหัดก็รู้นะมันใคลายก็รู้มันชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้ถ้าภาวนาแล้วเห็นชอบไม่ชอบได้ใช้ได้แล้วล่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะคอยรู้ทันจิตที่ชอบจิตที่ไม่ชอบนี่แหละดีที่สุดเลยเขาก็จะมีแน่นๆคลายๆอย่างนี้ไปตลอดอคะแน่นเพราะอะไร <S <S แน่นเพราะโลภเห็ mm. นไหมเพราะอยากนั่นแหละมันมีเหตุทั้งหมดแหละแต่จะไปห้ามไม่ให้อยากได้ไหมก็ห้ามไม่ได้จิตมันจะอยาก อยากก็ต้องรับวิบากร้องแน่นก็รู้ทันว่าไม่ชอบก็รู้ทันไปว่าไม่ชอบไปเรื่อยๆอยากโล่งไม่ชอบแน่นอย่างเงี้ยให้รู้ทันจิตไปเรื่อยๆไปฝึกต่ออของโยมมีนิดนึงคือถ้าสมมติโยมจะพักแล้วโยมจะพิจารณาร่างกายเป็นกระดูกเป็นธาตุอะไรอย่างเงี้ยได้ไดทัดได้พระอย่างนั้นเป็นสมถะนี่นากระดูกเครื่องอาถิกรรมฐานถ้าจะเป็นแบบจัตุทาตัววัฐานอะไรอย่างเงี้ยได้ ได้ใช่ไหมไม่ได้ทําให้ฟุ้งใช่ไหมคะถ้าฟุ้งก็กลับมาพุทโธไปพิจนาเนี่ยต้องพิจนานิดหน่อยพิจนาตลอดเวลาเดี๋ยวฟุง้งกราบขอบพระคุณคะ่ะกราบธรรมสการหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านครั้งแรกเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นพอมาเจอหลวงก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆอแล้วก็ ไม่รู้สึกคือพอจะส่งการบ้านทีไรก็จะเกรงใจหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้พูดสั้นๆนะคะพอถึงตอนนี้เพื่อนก็บอกว่าไม่ควรจะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราผิดพลาดตรงไหนเราไม่รู้ก็เลยอยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยชี้นแนะในส่วนที่ยมยังยังพลาดอยู่นะคะที่ฝึก อ, อยู่ก็พอได้นะก็ไปทาเอาใจสังเกตแม้กายกับใจเป็นโคลนละอันเมื่อขันมันแยกได้แล้วแต่ไปนี้ก็ดูแต่ละขัน สติรู้ขันไหนก็ได้นะก็จะเห็นนะทุกขันที่แสดงตัวขึ้นมาทั้งร่างกายทั้งความสุขทุกข์ทั้งความดีความชั่วหรือทั้งจิตใจนะล้นวนแต่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงตลอดบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยเดินปัญญาไปถ้าใจฟุง้งซ่านก็กลับมาทําความสงบเป็นระยะระยะไม่จริงความสงบนะถ้าเดินปัญญารวดไปแลใจไม่มีแรงค่ะไม่ค่ะ กับน้ำมัส ก, การหลวงพ่อค่ะออืค่ะปฏิบัติกับหลวงพ่อมาหกปีแล้วค่ะมาส่งการบ้างครั้งสุดท้ายเมื่อสามปีที่แล้วเห็นความเปลียป่ยนแปลงยังโยมเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สุดแล้วค่ะว่าธรรมะทาให้ความทุกข์น้อยลงไปจริงๆอมีอยู่ช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มีความสุขมากแล้วพอผ่านมาเมื่อประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทําผิดศีลข้อสีเล็กๆ ตกใจมากแล้วก็จิตตกมากเลยค่ะเลยกลับไปปฏิบัติดูกายก็เครียดช่วงนั้นจะเครียดมากแลวไปฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดูจิตได้แล้วไม่ต้องกลับไปดูกายอีกก็เลยตอนนี้ก็เลยยังคือดูดูจิตนะบางทีก็ดูไม่เห็นวันไหนดูจิตไม่ได้ก็กลับไปดูกายได้ก็ดูกายแล้วมีแรงก็ได้ดูจิต หรือบางทีดูกายแล้วหมดแรงไปเลยก็ไปทําสมถะค่ะตอนนี้ทําสมถะทีไรจะหลับทุกทีเลยค่ะหลวงพ่อเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปค่ะในในการดูจิตหลวงพ่อมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะดูจิตได้แล้วก็ดูไปนะจิตเราฟุ้งเก่งเราก็รู้เอาวันนี้ไปนี้มาทํางานได้ทั้งวันรู้ไปเรื่อยๆดูมันดูคนอื่นค่ะดูกายเหมือนกายคนอื่นดูจิตเหมือนจิตคนอื่นนะไปฝึกเอา ขอบพระคุณค่ะหลวงพอ่อการนมัสการหลวงพ่อค่ะเออหนูเคยส่งการบ้านหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกว่าติดเพ่งอะค่ะให้รู้สึกตัวไว้อืมแล้วหนูคลายบ้างหรือยังคะแล้วดูออกไหมดูออกว่ามันเพ่งอ่เพ่งอยู่เรื่อยๆค่ะมันมนถ้าเรารู้ทันว่าเพ่งมันก็จะเริ่มคลายแล้วใจมันจะปร่งสบายขึ้นนะถ้าเพ่งแล้วมันแน่นนะ เพงนะ่งแล้วรู้สึกแน่นอแล้วก็อย่าไปเพ่งมันเราเพ่งพระโลภออยากดีเพ่งเอาเพงเา่เพงเอานะมิตีปฏิบัติไม่ใช่เพ่งเอาค่อยรู้สึกร่างกายนะหรือรู้สึกจิตใจถ้าจิตใจมันแน่นรู้ว่าแน่ น, น, นไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะใจเบาสบายรู้ว่าสบายใจชอบว่ามันสบายดีรู้ว่าชอบนะรู้ทันไปเรื่อยถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกาย เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนดูเล่นๆดูสบายๆไปฝึกเอาไปค่ะค่ะกราบนมรสการค่ะได้ปฏิบัติมาเทียบเคียงกับที่ฟังซีดีรู้ว่าไม่มีสัมมาสติไม่มีสัมมาสมาธิขอหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้แนะค่ะ สตีน่ะเกิดจากการที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆนะเมื่อเราคอยรู้ทันใจของเราได้ๆความรู้สึกตัวไหนเกิดบ่อยโลบปลดหลงตัวไหนเกิดบ่อยความหงุดหงิดจะเห็นบ้าง<อ>ค่ะเมื่อเมื่อไม่ได้ดังใจอะอค่ะอถ้า้ต่อไปนี้เวลาความหงุดหงิดเกิดให้รู้ทันฝึกบ่อยๆนะเราสตีมจะดีขึ้นเองแล้วก็ไม่ต้องไปอยากหายนะมันหายของมันเองมันจะหายหรือไม่หายก็ช่างมันคแค่ว่ามันมีอยู่เรารู้ก็แล้วกัน ไปรู้ทันใจบ่อยๆใจหงุดหงิดแล้ว ร, รู้นะต่อไปความรู้สึกอื่นก็รู้ได้ด้วยรู้อย่างนี้บ่อยๆแล้วสติสมาธิจะดีขึ้นค่ะค่ะกลับคุณค่ะกลับนบมัศาการหลวงพ่อค่ะหนูงพ่ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกส่งที่มอขอนแก่นสองปีที่แล้วหลวงพ่อให้วิรู้ว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันออให้แยากกายแยากจิตเห็นไหมค่ะ ตอนนี้หนูเห็นว่าจิตมันไปทำงานได้เองมันบัคับไม่ได้แต่หนูยังสมาธิยังไม่พอค่ะจิตบางทีมตงสมาธิมันก็เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์นะมันไม่เต็มหรอกพอจะทำมาเต็มเดี๋ยวก็หมดก็ต้องทำอยู่สม่ำเสมอทำทุกวันใช้ชาร์จมันทุกวันจิตมันมีความเบื่อเยอะค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมาดีมันพอนาถูกมันก็จะเริ่มเบื่อนะ พนามใหม่ๆจะมีแต่ความสุขพอจิตไม่มีสมาธิมีสมาธิขึ้นมามีความสุขแต่พอถึงขั้นเดินปัญญาแล้วมันจะเบื่อแล้วเบื่อก็ให้รู้ทันอย่าให้ความเบื่อครอบงําใจได้บางครั้งก็ครอบงำค่ะเอออย่าหยับลอยมันให้ดูมันะหนูก็ไปฟังเพลงแล้วมันก็เบื่ออยู่ดีว่เบื่อท่านนี้พิธานี่เบื่อแล้วเบื่อเลยนะอไม่เหมือนเบื่อโทสะเบื่อโทสเนี่ยมันเบื่ออันนึงมันจะไปเอาอีกอันหนึ่ะเบื่อนี้พิธานีไม่มีที่ให้ไป ไปฟังเพลงก็เบื่อนะเคยชอบเบื่ออะไรๆก็เบื่อหมดเพราะงั้นตรงนั้นอ่ะอย่าให้เบื่อครอบใจให้รู้ลงไปให้หนูดูต่อไปดูไปดูเบื่อไปดูเบื่อไปเลยเบื่อก็รู้ะเบื่อมาครอบใจก็รู้เบื่อแยกออกไปก็รู้สุดท้ายมันจะเป็นกลางค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อกล่าวนามัสการครับหลวงพ่อรู้สึกว่ามันยังยังพักไม่ค่อยเป็นนะฮะหลวงพ่อ พักไม่ค่อยเป็นเหรอทำสมถะไม่ได้เลมันมันฟุ้งเยอะจนฟุ้งก็ทำสมถะที่ใช้ความคิดยังไง ค, นะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงความตายอะไรเงี้ยคิดถึงทานที่เราทำแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วอ่างเงี้ยนะ ค, คิดถึงร่างกายคิดซ้ำๆหรอครับหลวงพอ่อคิดซ้ำๆคิดถึงร่างกายเช่นดู ผมผมรูปร่างเป็นอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ดูขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเนื้อไร่อยู่ในร่างกายเดี๋ยก็ได้สมาธิมันชอบคิดเลยไปห้ามมันไม่ได้พามันคิดเลยครับหายใจไม่ถึงสิบมันก็ไปแล้วครับเออพามันคิดไปก็ได้ได้ครับไหนไหนใจก็ชอบคิดเราก็ทํากรรมฐานคิดพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไว้ตั้งเยอะแยะนะเราคิดอยู่ในสิบเรื่องนะในเรื่องอนุสติสิบข้อลองไปดูเอาครับขอบคุณครับ ทั้หมดเวลาเช่นกลับบ้าน